เล่นชะดาจนเจอดีที่ห้องนาตศิลป์มึงมาขอขอมากูเดี๋ยวนี้สัมผัสสยองเราชื่อฝ่าปัจจุบันเป็นสาวมหาวิทยาลายัยและเป็นคนมีซิกเซนมาตั้งแต่เด็กมักเห็นอะไรแปลกๆอยู่เสมอ จนตอนนี้ก็เริ่มจะทำใจได้แล้วเพราะก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันเรื่องราวนี้จะย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1ิปีก่อนครั้งที่ฟ้ายังอยู่ชั้นปสาเราได้ดูจักกับพี่แก้วซึ่งเป็นคนร่าเดิงชอบพูดจาตลกเป็นเด็กผู้หญิงที่แก่นนิดๆและไม่ค่อยจะกลัวเรื่องผีสักเท่าไหร่ต่างจากน้องชายชื่อกล้าถึงจะเป็นคนไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่ ครั้งไหนถ้ามีคนมาชวนพี่แก้วเล่นผีด้วยแก้วหรือผีเหรียญพี่แก้วก็จะเล่นด้วยโดยไม่ปฏิเสธเลยแม้แต่น้อยแล้วก็มักจะพูดท้าทายให้ผีออกมาอยู่เสมอมีอยู่วันหนึ่งในช่วงพักกลางวันของโรงเรียนเราทานข้าวกลางวันที่โรงอาหารเสร็จแล้วก็กลับมานั่งเล่นที่ห้องเรียนกับเพื่อนๆแล้วจู่ๆไอก้กล้ามันก็เดินเข้ามาหาเราและพูดว่าเฮ้ฟ้า มีเซนใช่เปล่าช่วยกูหน่อยเราก็ถามมันว่ามีเรื่องอะไรไอ้กลา้ามันก็เลยพาเราไปหาพี่สาวของมันตอนนั้นพี่แก้วเรียนอยู่ชั้นปหซึ่งตึกโรงเรียนของโรงเรียนนี้จะมีถึงแค่ชั้นปหและจะแยกเป็นตึกอนุบาลอยู่ด้านหน้าของโรงเรียนตรงกลางของตึกจะเป็นชั้นปหนึ่งถึงปสหลังตึกก็จะเป็นชั้นปสถึงปหและเป็นตึกที่มีห้องคหากรรม ห้องดนตรีห้องเรียนจริยธรรมไว้สวดมนต์และจะมีพระเข้ามาสอนซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเรียกวิชานี้ว่าอะไรหลังจากที่เอกล้าพาเรามาหาพี่แก้วพี่สาวของมันมันก็บอกว่าพี่มันอยากจะคุยกับเราเพราะเรามีเซนแต่ไม่ยอมเล่าอะไรให้เอกล้าฟังเราก็เลยถามพี่แก้วว่าเรียกเรามาอยากจะคุยอะไรกับเราเหรอ พี่แก้วที่มีอาการลุกหลีลุกกลนเหมือนหวาดระแวงอะไรบางอย่างซึ่งแสดงอาการหันซ้ายทีขวาทีจากนั้นเธอก็พุ่งเข้ามากระชากแขนของเราให้เราลงไปนั่งตรงโต๊ะเรียนข้างๆและเธอก็เริ่มเปิดปากเล่าทั้งทั้งที่มีอาการเหมือนกับกลัวอะไรบางอย่างเธอบอกกับเราว่าเมื่อเดือนก่อนพี่แก้วได้ไปเรียนวิชานาฏศินวันนั้นมีการสอนรําไทยด้วย ในระหว่างที่ครูประจำวิชาออกไปเข้าห้องน้ำพี่แก้วก็เหลือบไปเห็นโต๊ะที่วางหัวโขนและชะดาอยู่แล้วเห็นว่าชะดาที่วางอยู่บนโต๊ะนั้นสวยดีอยากจะลองสวมเล่นเป็นนางรำพี่แก้วจึงเดินไปหยิบชะดามาสวมบนหัวแล้วก็เริ่มรำไปมาแบบเล่นสนุกทำท่าตลกๆให้เพื่อนๆดูจากนั้นก็นอนลงทำท่ารำเอาหัวไถยพื้น ทั้งทั้งที่มีหัวชดาสวมอยู่แล้วก็ไถ่ไถไปบริเวณกลางห้องเพื่อนก็ทักไปว่าให้ถอดไปเก็บเถอะ ก, ก่อนที่ครูจะกลับมาเห็นพี่แก้วจึงถอดแล้วไปวางไว้ที่เดิมแบบมักง่ายไม่เรียบร้อยเท่าไหร่หลังจากที่เรียนเสร็จก็แยกย้ายกันกลับบ้านตามปกติคืนแรกผ่านไปก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ในวันถัดมาระหว่างที่พี่แก้วมาโรงเรียน ก็ต้องเดินผ่านห้องนัตสินเพราะเป็นทางผ่านไปยังห้องเรียนประตูห้องนัตสินนั้นเป็นประตูกระจกในขณะที่พี่แก้วก้าวเดินผ่านห้องนัตสินจูๆ่ๆเสียงมันเหมือนกับว่ามีคนเอามือกระแทกกับประตูห้องนัตสินพี่แก้วสะดุ้งตกใจมากจึงหันไปมองแต่ว่าในห้องนั้นกลับไม่มีใครอยู่เลยจะว่าอะไรตกลงมากระแทกกับประตูก็ไม่น่าใช่ พี่แก้วจึงคิดว่าตัวเองน่าจะหูฝาดไปก็เลยเดินเข้าห้องเรียนตามปกติจนกระทั่งเรียนจนหมดวันของวันนั้นแม่ของพี่แก้วก็มาจอดรถรอรับพี่แก้วและกล้ากลับบ้านไอ้กล้าขึ้นรถไปก่อนแล้วส่วนพี่แก้วตามมาทีหลังพอขึ้นรถแม่พี่แก้วก็ทักว่าแก้วหาใครมานะลูกพี่แก้วก็ทำหน้าง ง, งๆแล้วถามแม่ไปว่า ใครที่ไหนหนูวิ่งมาคนเดียวนะแม่ก็ผู้หญิงใส่ชุดนางรำไงลูกเขาเดินมากับหนูจนหนูขึ้นรถเมื่อกี้เมื่อได้ยินดังนั้นพี่แก้วก็รู้สึกเสียวสลังวา่าแล้วหันไปมองด้านหลังรถแต่ว่าก็ไม่มีใครที่สวมชุดนางรำเลยสักคนพี่แก้วเลยคิดว่าแม่คงตาฝาดไปเองหลังจากวันนั้นทุกครั้งที่พี่แก้วเดินผ่านห้องนาฏศิล หรือมีคาบเรียนวิชานี้ก็มักจะรู้สึกว่าเหมือนถูกใกรจ้องมองอยู่ตลอดเวลามันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดและกดดันมากจนมีอยวันหนึ่งพี่แก้วกลับขึ้นห้องเรียนหลังจากทานข้าวกลางวันเสร็จก็เห็นเพื่อนๆมารุมที่โต๊ะของพี่แก้วเมื่อพี่แก้วเดินไปที่โต๊ะตัวเองก็พบว่ามีรอยกูดเขียนอยู่ที่โต๊ะคานั้นมันเขียนว่ามาขอขมากูเดี๋ยวนี้ พี่แก้วรู้สึกตกใจมากเลยถามเพื่อนไปว่ามีใครมาแกล้งหรือเปล่าเพื่อนๆต่างก็บอกว่าไม่ได้แกลง้งและตัวพี่แก้วเองก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องที่เอาชดาไปเล่นในวันนั้นเลยก็เลยไม่ได้ใส่ใจและยังคงใช้โต้ตัวนั้นนั่งเรียนตามปกติจนมาถึงคืนวันเสาร์พี่แก้วกำลังนอนอยู่ในห้องโดยเตียงที่พี่แก้วนอนนั้นจะเป็นเตียงสองชั้น ปกติแล้วพี่แก้วจะนอนเตียงล่างไอ้กล้าจะนอนเตียงบนวันนั้นไอ้กล้ายังไม่เข้ามานอนยังนั่งดูทีวีอยู่กับแม่จู่ๆพี่แก้วก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยเล่นขึ้นมาเบาๆแล้วยังได้ยินเสียงเหมือนกับคนย่าเทา้ารำไปรำมาอยู่ในห้องพี่แก้วรู้สึกรำคาญก็เลยลืมตามาดูปรากฏว่าเป็นผู้หญิงสวมชุดไทย มีชดาสวมหัวอยู่และเป็นชดาอันเดียวกันกับที่พี่แก้วเคยเอาไปเล่นผู้หญิงคนนั้นรำหันหลังให้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเตียงของพี่แก้วมากนักพี่แก้วกระพริบตาเพื่อที่จะดูให้ชัดๆว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นคืออะไรกันแน่แต่พอลืมตาดูอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วพี่แก้วลุกขึ้นนั่งมองหาไปรอบห้อง แต่ก็ไม่มีใครอยู่เลยแล้วตอนนั้นเองก็มีมือเอื้อมลงมาจับขอบเตียงด้านบนมือนั้นเป็นมือที่ขาวซีดที่นิ้วสวมเล็บฟ้อนรำอยู่แล้วก็มีเสียงพูดว่าจะไม่ขอขมากูดีๆใช่ไหมแล้วใบหน้าของผู้หญิงที่สวมชะดาคนนั้นก็ห้อยหัวโพลงมาจากเตียงด้านบนห่างจากหน้าของพี่แก้วเพียงไม่กี่เซนติเมตร แววตากุงเธอคนนั้นอาฆาตยังรุนแรงน้ำเสียงเกลียวกราดตะคอกใส่ทําให้พี่แก้วรู้สึกกลัวมากจึงแหกปากร้องกรีดรันแล้วถอยตัวไปกดด้านในสุดของเตียงอยู่ติดชิดผนังจนแม่และไอกล้าวิ่งเปิดประตูเข้ามาหาพี่แก้วก็เห็นพี่แก้วร้องไห้แหกปากไม่ยอมหยุดพี่แก้วขวัญเสียเป็นอย่างมากจนแม่ต้องปลอบ แล้วก็พาไปนอนกับแม่เพราะตื่นมาในตอนเช้าไอ้กล้าก็เลยถามพี่แก้วว่าเมื่อคืนเป็นอะไรที่แรกพี่แก้วก็ไม่ยอมเล่าจนไอ้กล้าถามว่าผีหลอกเหรอพี่แก้วหยุดชะงักไปครู่หนึ่งแล้วก็เล่าให้กล้าฟังถึงเรื่องเมื่อวันก่อนที่ไปเอาชดาในห้องนาฏศิลป์มาสวมเล่นและเห็นผู้หญิงสวมชุดนางรํามาหาเมื่อคืนแล้วก็บอกว่า ไม่รู้จะไปขอเขามายังไงดีไม่กล้าด้วยรู้สึกกลัวไอ้กล้ามันก็เลยนึกถึงเราขึ้นมาซึ่งอาจจะช่วยได้หลังจากที่พี่แก้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้เราฟังเราก็คิดได้ว่ามันคงจะไม่ง่ายแน่ๆ แ, และเราก็เป็นแค่เด็กปสามคงทำอะไรไม่ได้มากเราก็เลยถามพี่แก้วว่าลองเล่าให้แม่ฟังหรื อ, อยังบางทีเขาอาจจะช่วยได้ เรื่องแบบนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยจะดีกว่าเพราะหัวโขนชดาเหล่านี้เป็นของมีครูการเอาไปเล่นแบบนั้นมันเป็นการลบหลู่แล้วที่พี่แก้วทำนั้นมันก็ลบหลู่เอามากมากแต่พี่แก้วกลับใายหน้าอย่างเดียวไม่อยากจะบอกแม่กลัวแม่โกรธและกลัวแม่จะไม่เชื่ออีกด้วยเราก็เลยถามว่าอยากจะให้เรานั้นช่วยยังไงพี่แก้วก็เลยบอกว่าให้เรา ช่วยไปคุยให้หน่อยว่าจะขอขมาเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเราก็เลยตกลงรับปากเพราะคิดว่าก็แค่คุยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการขอขมาแล้วเราก็ไปที่ห้องนักศินปกันสามคนพอไปถึงเราก็เข้าไปนั่งคุกเข่าตรงโต๊ะที่วางหัวโขนแล้วเอ่ยปากถามไปว่าหากจะให้ขอขมาแล้วอยากให้พี่แก้วทำอะไร เพราะตอนนี้พี่เขากลัวมากจากนั้นเราก็รู้สึกว่ามีคนมากระซิบที่ข้างหูบอกว่าให้มันรำให้กูเราก็เลยหันไปบอกพี่แก้วว่าเขาอยากให้พี่รำขอเขามาพี่แก้วสายหน้าไม่เอาไม่รำกลัวบอกให้เรารำแทนให้หน่อยเราก็ปฏิเสธแต่พี่แก้วก็ขอร้องเราอยู่นานว่าช่วยรำให้ทีพี่ไม่กล้า เราจึงยอมตอบตกลงแล้วเราก็รำให้แต่ว่ารำไม่เป็นหรอกก็ใสที่จำจำเข้ามารำไปแต่ว่าการขอกขมานั้นมันก็ไปได้ง่ายอย่างที่คิดจู่ๆเราก็รู้สึกว่ามีมือมาจับที่มือของเราจับดัดมือดัดแขนดัดขาทำให้เรารู้สึกเจ็บมากแล้วก็พูดใส่หูเราเสียงดังว่ากูไม่เอามึงรากูจะเอามันรา แล้วเราก็หยุดราและบอกพี่แก้วว่าเขาไม่ยอมเขาจะให้พี่รำเพราะพี่เป็นคนทำไม่ใช่หนูพี่แก้วตอบไม่อย่างเดียวไม่ว่าจะยังไงก็จะไม่รำแล้ววันนั้นการขอขมาก็ต้องล่มไปเพราะพี่แก้วไม่ยอมรำแลกล้าก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะพี่สาวมันไม่เอาลุกเดียวหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์ถัดมา จูๆ่ๆกลางดึกไอ้กล้าก็โทรมาหาเราบอกว่าผี่แก้วหายออกจากบ้านไปไอ้เราก็ตกใจพี่เขาจะหายไปได้ยังไงไอ้กล้ามันก็บอกไม่รู้จูจๆก็หายไปเลยประตูบ้านก็เปิดทิ้งไว้หลังจากไอ้กล้าวางสายเราก็รู้สึกกังวล น, นิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราก็หวังว่าจะตามหากันเจอเร็วๆ เช้าวันต่อมาเวลาประมาณหโมงก็มีลุงยามคนหนึ่งเดินมาที่ตึกประถมเด็กโตเพื่อไขกุญแจเปิดตึกลุงยามเดินผ่านห้องนาตสินเพื่อที่จะไปเปิดประตูอีกฝั่งระหว่างที่เดินผ่านอยู่นั้นแกก็รู้สึกถึงไอเย็นของเครื่องปรับอากาศแล้วแกก็ต้องตกใจมากเมื่อหันมองเข้าไปในห้องนาตสินแกเห็นเด็กสาวคนหนึ่งสวมชดาอยู่บนหัว แล้วนอนหงายอยู่ในท่าสะพานโคง้งหัวยันกับพื้นไหวแขนขาหักบิดงอกระดูกเข่าแทงออกมาจากผิวหนังข้อมือถูกบิดนิ้วหักบิดเบี้ยวไปคนละทิศคนละทางเลือดไหลนองอาบเต็มพื้นห้องสองแขนยกขึ้นซอกยันพื้นสองมือประกบกันเหมือนพนมมือหน้าหันไปทางโต๊ะหัวโขนตาเลือกค้างปากขยับพึมพำพูดว่าขอโทษค่ะ หนูขอโทษหนูจะไม่ทำอีกแล้วเมื่อลุงยามเห็นดังนั้นจึงรีบโทรเรียกรถพยาบาลแล้วแจ้งทางบ้านของพี่แก้วให้ทราบพอแม่ของพี่แก้วทราบข่าวก็รีบไปโรงพยาบาลพี่แก้วยังอยู่ในการช็อกก็เลยไม่สามารถเล่าอะไรได้ส่วนเราก็รู้มาจากใกล้ๆทีเรื่องที่พี่แก้วเจอในห้องนาตาศิลเพราะไม่ยอมขอขมาดีๆก็เลยต้องเป็นแบบนี้ หลังจากเหตุการณ์นั้นีิแกวก็ไม่มาโรงเรียนหลายเดือนเพราะแขนขาและนิ้วหักหมดต้องใช้เวลารักษาสิ่งของบางอย่างนั้นมันอาจมีครูเราไม่ควรจะลบหลู่หรือเอามาเล่นเพื่อความสนุกสนานเพราะว่าของเหล่านั้นอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาหรือมีสิ่งลึกลับสิ่งสถิตยอยู่และเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่า เขาจะตามมาทวงคืนอะไรกับเราหรือเปล่าสัมผัสสยอง